รอยห้าสิบเบ็ดกรสอบปุย๋ยเขาจะแล้วเราเอาข้าวไปปะทายข้าวไอเกียบไปหาหนึ่งวันครึง่งได้เกือบทุกหลังใช่ไหมเขาทาบุญมาเกือบทุกทุกหลังใช่ไหมะมหลังล้สอบสองสอบ ตัวเองเช็สอบตัวเองตัวเองตัวเอกับยายคนละก็สอบบ่ฮะสอบหนึ่งเด้โอ้ยคนละครึ่งก็สอบอยังไงสองคนก็สองสอบไหม <c oughs> เหลือสองคนจะกินอย่างหมดอืมอ่ไปทานบ้าง ไปทานเราไปทำประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมเราไปทำบ้างประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมอุบายวิธีปุริเจ้าทานธรรมเพื่อละความจริยความจริยความถือเนื้อถือตัวถือเนื้อถือตัวถือเราถือเขาถือมากถือน้อย ถือมึงถือกูเฉลียเผื่อแผ่แจกกันใช้กันสอยเอาไปทำสาธารณประโยชน์มนุษย์เราเกิดมาต้องเกื้อกูลกันสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ได้ด้วยการเกื้อกูลกเกื้อกูลก็คือสองเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันคนมีกำลังมากคนมีทรัพย์มาก ก็แบ่งปันกับคนมีกำลังน้อยคนมีทรัพย์น้อยคนมีปัญญาน้อยคนแข็งแรง <c oughs> ต้องช่วยคนอ่อนแอคนอ่อนแอได้อาศัยพึ่งคนแข็งแรงเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละเราไม่เจ็บใครได้ป่วยเราว่าเราแข็งแรงลองเราเจ็บใครได้ป่วยปั๊บ อามาพลิกอามาพาดขึ้นมาทันทีทำไงลนะ่ะอ่อนแอกลายเป็นคนอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้ใครจะช่วยต้องคนมีแรงการช่วยเหลือการนันเกิดประโยชน์ท่านเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเอาวิสัยของพระพุทธเจ้ามาใส่พวกเราในคนละโลกเลย พุทเจ้าให้ให้ให้ให้จนหมดเนื้อหมดตัวให้ตัดอวัยวะให้ให้ตัดมือตัดตีนตัดอวัยวะอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้เป็นฐานได้ทัานตัดทําประโยชน์หมดชีวิตก็ให้ได้ให้เป็นฐานได้นั่นแหละพุที่เจ้าเป็นธรรมทีนี้เรามาคิดดูพวกเราตรงกันข้ามไหม เราตรงกันข้ามเราเราเร า, เราถือเนื้อถือตัวอยู่นั่นแหละสมวนถนอมรักษาอยู่นั่นแหละสัหน่อยหนึ่งอ น, นุณมาเกาะอันนี้มากินแล้วมาเร็งมาเกาะแล้วตับไตใส่ปอดมาเกาะแล้วถนอมมันอยู่นั่นแหละแต่ด้วยเหตุที่พระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมีอ น, นิสงส์หมดช่วยเหลือพระองค์หมดทุกอย่างนน อ, นน อ, อันนั้นก็อันนั้นมาช่วยอันนี้ก็ช่วยอันนั้นก็ช่วย อันนี้สงเกิดขึ้นจากใจค ว, ความเพิ่มใส่ศรัทธาความเผื่อแผ่มันไปจากใจใจดวงนี้ตอนนั้นตั้งอกตั้งใจทําดิบดีพออยู่ร่วงการผ่านไวัไปกลายมีว่าผลต่างๆที่จะตามมาตอบสนองมันก็จะต้องมาตอบสนองที่ใจใจดวงนี้แหละมันดาบริกรรมทําตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจาก ผู้ดําเบิกรรมตรงนี้ไปเกิดที่ไหนก็ย่อมได้รับผลเกิดใปนป่าในเขาทุกย่าลําบากกันดานเป็นการเป็นคราวสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือไปทั่วถึงมีอันในสองของการเผื่อแผ่ของการแบ่งปันการแบ่งปันนี้เป็นธรรมเนียมของมนุษย์ของสัตว์แม้แต่สัตว์มันก็แบ่งปันแม้แต่สัตว์นี่ก็แบ่งปัน <c oughs> พระโพธิสัตว์ท่านเป็นพญาลิงเป็นหัวหน้าพญาลิงน้องชายเป็นเป็นรองน้องชายเป็นรองแม่เลี้ยงแม่ตาบอดท่านท่านได้อะไรมาท่านก็ฝากไปถึงแม่ได้อะไรมาได้มากผลไม้นอนมาก็ <c oughs> ฝากไปหาแม่ ได้ผลไม้นี่มาก็ฝากไปหาแม่ไปไ ป, ไปมามาถึงบ้างไม่ถึงบ้างแม่แม่ลิงเน่ะแม่ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างพอมาถามถามไปถามมาว่าเอ้อไม่ค่อยได้กินอดอยากอย่างนั้นอย่างนี้ฝากมาก็ไม่ถึงอืมก็ลิงพยาลิงเลิกเลยเลิกละจากหมู่จากฝูงอ่ะมาอยู่กับแม่ เลี้ยงดูแม่จนตายเนี่ยท่านเกิดพพไหนาชาติไหนท่านเลี้ยงดูอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผลของกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงที่มันเหลือเฟือเอือร้อนหัวจิตหัวใจเนี่ยมันมาตามสนับสนุนคุ้มครองป้องภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากภัยพิบัตริสรพัดเนี่ย เพราะฉะนั้นในพระชาติที่องค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์จะไม่ตายด้วยการพยายามฆ่าจากใครๆทั้งนั้นเพราะความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ป้องกันไว้หมดดีกว่าเกราะป้องกันคุ้มกันไม่ว่าพลังภายนอกไม่ว่าพลังภายในกันได้หมดพลังภายในก็การมันได้ออกหมดแล้วการมันออ ก, กตั้งแต่ ละมันออกจากหัวใจไปหมดแล้วหลางภายในกิเลสตัณหาชนะเพราะชนะกิเลสตัณหาข้างในได้เนี่ยแหละข้างนอกจึงเป็นรองไปข้างนอกนชนะหมดเพราะข้างในชนะแล้วข้างนอกชนะหมดไปจากสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือความดีอยู่ที่เฉยไม่เกิดดอกความดีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ถือเนื้อถือตัว ดูไปที่เหตุมันอะไรพาให้เราถือเนือถือตัวนั่นน่ะดูตัวเหตุตัวนั้นน่ะถือดิบถือดีถือเก่งถือฉลาดถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติดอ ง, ด, งดังเดินโถไม่ยอมดูเรียน่ะนู่นโดนเงยดูท่องฟ้านั่นน่ะวิธีปฏิบัติทําไงท่านให้ดูว่าสาเหตุอะไรมันทําให้เปลี่ยนอย่างนั้น ดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นเมื่อเราเห็นเราก็เมื่อเราเห็นมันก็ชะลอแล้วหลังจากเราจ่อลงไปมันก็หยุดแล้วเมื่อเราเห็นมันก็ช ะ, อะลอเมื่อเราจ่อมันก็หยุดอืมเราเห็นมันก็ชะลอเราจ่อมันก็หยุดเห็นด้วยปรรยัญญาเห็นด้วยความรู้สึกความชั่วร้ายทั้งปวงที่จะพึ่งเกิดขึ้นที่มาที่กายที่ที่วาจาก่อนที่จะมาที่กายที่วาจา มันทับถมใจย่ำยีใจซะก่อนละก่อนที่มันจะทะลักออกมาทางวาจาย้อนดูเข้าไปอะไรเป็นเหตุเป็นต้นต่อบางทีก็รู้สึกเนือ้อบางทีก็ไม่รู้สึกตัวเริ่องนักของความหลงปุตุชนคนหนาไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นกระจกฟ้าดูไม่ฉลุ มันเป็นฟ้าบางปัญญาไม่มีปัญญารู้เห็นว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุเพื่อดีอะไรเป็นเหตุเพื่อชั่วอะไรเป็นเหตุเพื่อสุขเพื่อทุกข์อย่างแท้จริงดูไม่ออกจับผิดจั บ, จบถูกเลือกผิดเลือกถูกพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวจอ่อฉะลอละเมื่อเราเห็นมันก็ฉะลอแลอ้อยจ่อเอาสติเอาสัมผัสัญญะเอาปัญญาอะไรจ่อลงไป สิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปละลายไปพิจารณาไล่หลังมันอีกพิจารณาตามหลังมันอีกการสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าใครมองไม่เห็นงานตรงนี้มีแต่งานเพลินไปข้างนอกมันก็มาสร้างรวงรังรกราก ร, กรวงรังอยู่ข้างหลังนี่แหละเราพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันสร้างรกรากของมันอยู่ข้างหลังเนี่ยก่อเนื้อก่อตัวอยู่นี่แหละ เหตุ ed, สุขเหตุ ed, ทุกข์เหตุอะไรไม่รู้แหละโมหะมันคลุมไปหมดแหละว่าจะอยากๆยากอยากยากยา ก, ยากตามได้เห็นได้ยินได้ฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอยากสรรพัดอยากทุพตผือไม่เคยย้อนไปดูไอ้ตัวที่มันพาทำให้อยากาดูไปที่เหตุตัวที่มันพาทำมันมีอยู่แล้วจอ่อเราไปเห็นมันมันชะลอ สิกปัญญาจอ่อเข้าไปมันก็ละลายลองทําดูทีละลายหายจริงไหมยิ่งมีสมาธิดีด้วยเนี่ยจอ่อเข้าไปแล้วหลุดหายเงียบไปเลยจอลงไปหลุดหายเงียบไปเลยตามไล่หลังมันอีกไปเล่นงานมันไม่งั้นสู้มันไม่ได้ดอกมันมันหลอกเราต้มเราทุกวันทุกเวลาถูกกิเลสตัณหาหลอกไปวัน สัญญาอารมณ์ของเรานะมันหลอกเราไปวันๆเดินดีๆนั่นแหละแต่จิตนึกปรุงอะไรสารพัดรักเปรตอสุรกายวิมานอินพร้อมอยู่ในนั้นหมดนึกปรุงคิดซื้ อ, อแต่ที่ดีๆมันไม่ค่อยดึงไปหรอกมันดึงไปที่เร็วๆนั่นแนหะเพราะตัณหามันพาคิดได้อันไหนดีๆอันไหนแซ่แบๆอันไหนชอบๆมันปรุงอันนั้นแหละอืม จนเป็นเนื้อเป็นหนังของมันมาสร้างรอกรากรองรังอยู่ข้างหลังเราไม่ได้หันมาดนูนะเราพุ่งไปทางข้างหน้าพุ่งไปทางข้างหน้าเสียสละไปเสียสละข้าวก็เปลือกเป็นงานที่เราได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงทันถือว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์อืมเป็นทานที่บริสุทธิ์ ทานที่บริสุทธิ์ผลจอมบริสุทธิ์ดูไปที่ความบริสุทธิ์ใจทานเสียสละให้มาแล้วดูไปมันตึงอีกเนี่ยมันอยากได้เสียดย้ไอความอยากได้เพิ่มไม่พอเนี่ยแหละคือความเสียดดยเสียดดยให้ไปแล้วเอเสียไดย้เราก็ต้องจ่อไปดูอีกเอมันเสียไายอะไรมันมีผลมียนสงในเมื่อเราให้ไปแล้วมันมันเป็นการที่เราลงทุน มันเป็นการลงทุนที่ยากลงทุนไปแล้วมันมีผลตามหลังมาผลที่จะพึงได้สิ่งที่ยากๆนะ่ะที่เราควรจะได้สิ่งที่เราไม่เคยคาดเคยคิดนั่นแหละมันจะได้เสียสละของธรรมดาเสียสละของดีเสียสละของเลิศสิ่งที่เลิศก็จะพึงได้สมหวังสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เลิศ เสียสละของเลวๆก็ได้ของเลวเสียสละของกลางๆ ก, ก็ได้ของระดับกลางเสียสละของเลิศย่อมถึงฐานะอันเลิศอันประเสริฐพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปริยสสาวกนั้นถึงฐานะอันประเสริฐยืนอยู่บนที่พ้นภัยอิสระเสรีพ้นภัยแก่ภัยเจ็บภัยตาย พ้นภยัยความทุกข์ที่จะไปทับท่วมหัวหใจมันพ้นได้ยังไงเพราะมันทรมายมันจนเหือดหายไปหมดแล้วไม่มีเชื้อที่จะมาต่ออยู่ในนั้ น, นยืนเดินนั่งนอนตรงไหนมีความสุขยืนเดินนั่งนอนตรงไหนมีความสุขสิ่งเหล่านี้เข้าไปไม่ถึงเพราะมันต่อการต่อกอนกันจนมันหมดฤทธิ์หมดเดียวแล้วมันไม่มีอะไรที่ยังเข้าไปถึงแล้วทำให้ผู้รู้หนึ่งเดียวเนี่ย สร้างเกาะคุ้มกันภัยได้อย่างปลอดภัยที่สุดเมื่อก่อนนะั้นมันซึมซึมซับออกมามีอะไรผลขึ้นมาก็ซึมซับซาบขเขาเรียวกว่าคำซาบมันคำซาบอารมณ์มันเข้าไปแทรกในหัวใจอารมณ์ชอบไม่ชอบนี่แหละคำซาบศึกษาปฏิบัติรู้ช่องรู้ทางรู้ที่ไปที่มาสิ่งเหล่านี้ไม่ซึมซบับ เหมือนน้ำกลิ้งสิ่งนั้นนั้นผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวท่นว่งางั้นนะใครเคยเห็นใบบัวเอาน้ำวิดน้ำไปสาดใส่ใบบัวดวูน้ำมันกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาน้ำมันไม่ซึมในใบบัวอารมณ์ดีใจเสียใจอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาทิษยาอะไรต่อะไ ร, ะไรมันไม่กัมทราบเข้าไปในใจดวงนั้น อันดีก็มารับทราบแล้วก็ผ่านไปอันไม่ดีรับทราบแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปในนั้นหมายความว่าอยังอมเรื่องราวติดอกติดใจชอบอกชอบใจไม่ชอบอกไม่ชอบใจมันซึมเข้าไปนั่นแหละจิตที่ถึงขั้นนั้นมีอยู่มีเกราะคุ้มครองป้องกันเป็นป้อมปราการธรรมชาติ ที่แข็งแรงมั่นคงป้อมประการนี้ก็คือสติที่เกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติปกป้องคุ้มครองอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาติเป็นกำแพงขวางอยู่ไม่มีอะไรจะข้ามไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจไม่ต้อ ง, ต, งตั้งอกตั้งใจวิรัตไม่ต้องตั้งตั้งอกตั้งใจงดตั้งใจเว้นเพราะทำจนพอแรงแล้วมันตกผลึกมาเป็นกำแพงเป็นเกราะ ถ้าเป็นเชือกเกราะก็เกราะกันกระสุนกันระเบิดกันอะไรได้หมดนี่เราพูดถึงข้างในฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอาอไพอมันโพลเนอร์มันโพลเนี่ยมันที่สี่วันที่ห้า วันโพลวันที่สี่วันที่ห้าแล้วยันไงตั้มมา เ, เ, เราไม่ต้องไปรับพนนั้นนะ่ะเหียดเขาบอกแล้วนะที่แรกก็ให้พวกเราไปรับได้คนเช่าจากสนามบินเหรออ๋อแล้วลใครขับอ่ะอใครมาด้วยแต่ลงจากนู้นก็ไปนู้นเลย ไม่ได้เข้ามานี้เ <c oughs> ที่ยวบินเที่ยวไหนไม่รู้ที่สี่เนี่ยวันนี้เราไปทุลักอีกเนี่ยคืนหนึ่งอที่สามวันที่สี่วันที่สี่ได้เข้ามันพลเข้ามันพลก็ตลอดคืนไปแล้วนะเข้ามันพลก็ฟังเทศตลอดคืนนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็ติด กันหมดไปไม่ได้จันสุธรรมจันชีรวัฒน์จันจำรัจัเหลือมไปไม่ได้สักอง์มีจันชินฉันชินไม่แน่หรอกรับปากยู่ไปรัากก็ไม่รู้จันสามจันน้อยจันสีนี่เป็นธรรมกัตถะไปให้ความรู้ไปให้แนวปฏิบัติจันอ้วน สี่ห้าองค์นอกนั้นจะมีใครไปอีกเนี่ยไม่ได้บอกใครปกติทุกปีเราก็ไม่ได้บอกใครเราไม่ได้มีหนังสือบอกบอกกับปากบอกกับปากก็ไม่ได้แน่ใจอะไรบางคนถ้าไม่มีหนังสือบอกเขาก็ไม่ไปได้วยนี่มลแต่พระเราก็ร้อยสองร้อยพระ เต็มสลาไอเต็มบริเวณเชียดีเราพูดถึงครูบาอาจารย์ที่เรานิมนต์ให้ไปพุตธมะประเทศเป็นเพื่อนสองกับพวกไปบวชชีพราหมณ์พวกเราเคยมีเทศกันเดียวตอนค่ำเสร็จแล้วปล่อยให้เขาอยู่เขาไม่น่าอยู่เขาไม่เป็นตจอยู่เขามัน ทียคำมานิมนต์ครูบาอาจารย์ให้ไปพูดธรรมะให้ฟังในที่สุดปีหลังมาเราก็จัดตลอดเลยองค์นั้นต่ออง์นั้นต่อองค์นั้นลงองนั้นขึ้นต่ออยู่นั้นจัดจนเหลือจนเวลาไม่พอหมดซะก่อนปีที่แล้วเนี่เวลาหมดซะก่อนท่านเหลือไปนั่งชานกาแฟคอยคอยอยัดเทศ <laughs> เวลาหมดก่อนอ่าอืม เราก็รู้ว่าเราทําพอดีพอดีกับเราเราไม่ได้คิดทําใหญ่โตอะไรพอดีกับตัวเราไม่ได้คิดจัดใหญ่โตเพราะเราทําทุกปีไม่ใช่นานๆเรา ท, ทําทีเราทําทุกปีทําทุกปีปีนี้เราก็ได้บรคคลเอวบ้างเนี่ยท่านเช็ค ไปทำพกษษ็ตเอวได้ตั้งสี่ส้าสิบนะหมูพาหมูทำไม่ออกในบ้านด้วยมันผลก็ได้พอสามสิบโบนี่มันพลเ <c oughs> นี่ยก็คือแรงที่เราดินน้นรนแล้วพวกเราก็นุ่นเ่ยเยอะผ้ามาเนี่ย น, น้อยเอยอะผ้ามาตั้งแต่กระถินเสร็จได้ผ้ากี่ตัวเนี่ยน้อยฮะได้สองร้อย สองนอเย็บสักตัวเปล่าเย็บตัวหนึ่งเย็บแล้วก็เป็นเป็นผ้าเช็ตีนนะฮะนั่นนี่น้อยน่ะวิ่งช่วยหมูช่วยครูบาอาจารย์ตลอดมีวันหนึ่งเขาตัดผ้ารูปพี่เขาผ้าสองชั้นตัดชั้นบนตัดไปทำไมาฟาชั้นล่าง <c oughs> เสียงรัน เกือบแล้วคอเกือบขาดแล้วไ่นอยนอยอะเรียนเลิกเรีนเลิก เ, เ, เราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้แหละประสบการณ์ทุกคนอยู่ด้วยประสบการณ์ฉลาดเพราะประสบการณ์มีผลงานเพราะมีประสบการณ์ อยู่ซบือซื่อเฉยๆไม่ผิดอกคนแบบนั้นมันไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรจะไปผิดยังไงแต่ไม่มีผลงานอไม่มีเกรดไม่มีซีไม่มีดีกรีเพิ่มไม่มีอะไรเท่าเดิมสองสลึงอยู่คือเก่าจะเพิ่มเป็นสามสลึงก็ไม่ได้เพิ่มเป็นสี่สลึงก็ไม่ได้ใจเป็นคนเต็มบ่ากับเต็มไม่ได้เพราะกลัวผิด อันนั่ก็กลัวผิดอันนี้ก็กลัวผิดไม่กล้าทำนั้นไม่กล้าทำนี้ไม่มีผลไม่กระตือรือร้นกลายเป็นนิสัยเฉยชาไม่ได้อะไรธมากินก็ไม่ทันเขานอนลุกก็ไม่ทันเขาธมากินก็ไม่ทันเขาออกงานก็ไม่ทันเขาออกตานี่ก็ไม่ทันเขาเหมนบ่อก็ถ้าคนแบบนั้นเน่ยมันเฉยชาไปหมดละ มันไม่มีกระตือรืรอร้นที่จะสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองนะคิดดีใคร่ครวนและทำตามบางคนมดแต่เสียดายนอนอยู่นั้นนะนอนแล้วนอนอีกนอนจนเขียวเระวังให้ดี <c oughs> นอนจนตัวเขียวนะระวังให้ดีพร <c oughs> <c oughs> มันได้ขนมอะไรมาแจกคันนี่ฮะเอาไปสักสองสามกระสอบปานนะา่ะนะไปแจกวันพ้น<笑><笑>เด็กชอบชอบนะ่ะอ้ยถ้าได้เอาไปวันที่สี่นี่เด็กเด็กไปสวดมนต์ไปตอบปัญหาธรรมะไปเล่านิทานไปอะไรอะไรเตร็มเลยนะ่ะหมดทั้งอำเภอเดย ที่บรรทูลเนี่ยระดับปถมมัธยมเนี่ยไปเล่านิทานไปสารพันยะไปประกวดประกวดคันนั้นอะนี่เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างประกวดโรงเรียนเขาจับจับธรรมะทุกปีประกวดปวดแต่งดอกไม้จัดขันเบงเนี่เล่านิทานแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะเขาจัเขาจัดไปเขาจัดไประดับ อ, อเาเภอก็าํา ผมถ้าได้ไปเจอกัเด็กม่อเลยนเด็กทั้งนั้นเลยเลยทั้งมธมทั้งมัธยมเขาจัดมันเป็นงานระดับอำเภอ ยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติชาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิิตังปติ